กันยี่แรมสิบห้าค่ำเป็นวันอุโบสถทั้งของพระในทั้งของชาวบ้านนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่เทวดายุ่บนสวรรค์เพื่อนก็ไปชุมนุมกันในวันเช่นนี้นะที่ศาลาธรรมสภา บนสวรรค์ชั้นดาวดิงซึ่งมีพญาอินเป็นประธานานั่นเเทวดาทั้งหลายได้ดอกไม้ทูกเทียนอันเป็นทิพย์แล้วก็พากันเหาะลอยมาแต่ทิศต่างๆแล้วก็มาเดินเวียนประทักขินสามรอบจุดถูกเทียนดอกไม้บูชาพระเกศแก้วจุนลมณีเจดีย์ กราบไหว้เสร็จแล้วก็พากันไปชุมนมุมกันที่สาราธรรมสภาพ่านั่นแหละแล้วพอินเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำสั่งสอนเพราะว่าบนสวรรค์นั้นไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเลยดังนั้นแหละจึงมีพาอินเป็นประธานนี่ลองคิดดูจะว่าไม่เป็นวันสำคัญอย่างไรเล่า วันเช่นนี้นะแต่ไม่ไม่ทราบว่าจะไปถือเอาวันมนุษย์นี่บ่หรือว่าจะถือเอาวันของเทวดาก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันมันไกลกันวันของมนุษย์กับวันของเทวดาร้อยปีเมืองมนุษย์นี่จึงเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดิง แต่ถ้าหาว่ากลัวว่าจะถือเอาว่าแปดวันหรือว่าเจ็ดวันของสวรรค์ชั้นดาวดิ้งจึงจะเป็นวันพระวันหนึ่งนี่อ้มันหลายหมื่นปีสำหรับนับเอาไอ้เมืองมนุษย์แล้วนะเอาวันของเมืองมนุษย์อะแต่นี่ก็ยกไว้ให้ธรรมชาติเป็นเองไปก็แล้วกัน เพราะฉะนั้นวันอุโบสถ8ปดค่ำสิข้าค่ำนี้ซึงชื่อว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายผู้กำลังสั่งสมบุญกุศลบารมีเพื่อให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนก็จะต้องตั้งใจถ้าเป็นทา ย, ยกทา ย, ยิกาก็พยายามรักษาศีลอุโบสถ ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้ น, นิสงแห่งการรักษาโวสตรสินนี่ถ้าหากว่าได้เกิดไปในชาติต่ อ, ต, อต่อไปนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช้นนี้ก็จะมีจิตใจคิดอยากจกะบวชเรียนเขียนอ่าน เมื่ออินทรีย์บารมีเหล่านี้มันเ ก, กล้าขึ้ น, นอานิสงส์แห่งการรักษาโอโบสดสินเนี่ยนั่นแหละทให้จิตใจน้อมไปในทางบวชในทางเนกขมมะคือว่าพูดอย่างง่ายๆว่าน้อมใจไปในทางที่ออกจากการมคุณเมถุนสังโยชนี่แหละอานิสงส์แห่งการรักษาโอโบสดสินน่ะ ทำให้เห็นโทษในกรรมคุณเหมือนอย่างพระภิกษุสามนเณรก็ดีแม่ชีแม่เขาที่มาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้นะอันนี้มันก็เกิดจากอานิสงส์แห่งการรักษาศีลโัวสดมาแต่ชาติก่อนห้นหลังนั่นแหละเป็นพระภิกษุสามนเณร อย่างนี้นี่เข้าใจว่าชาติก่อนหนหลังนั่นก็คงได้บวชมาแต่ว่าอินทรบารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็ยังบรรลุมาผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนพอเกิดมาชาติดีได้มาพบพระพุทธศาสนาจึงได้มีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชมาแล้วก็ไม่ศึกตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เลยไปนี่ก็ ก็เข้าใจว่าอานิสงส์แห่งการได้บวชมาแต่ชาติก่อนนั่นแหละมันติดซอยห้อยตามมาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่บางชาติพระองค์ก็ออกบวดในพุทธศาสนานี่เหมือนกันนะในในเมื่อพระองค์เกิดร่วมกับศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ในในครั้งที่ ในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากสปะเนี่ยพระองค์ก็บังเกิดขึ้นในตระกูลพราห ม, มีฉาสิทธิเมื่อได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเขาแล้วก็ละความเห็นผิดนั้นได้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าเลยพอบวชมาแล้วก็มาศึกษาเ ร, าเรียนธรรมวินัยจนจบ พระไกรพิดกแล้วก็เป็นโครเป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์เข้าได้มากมายเพราะว่าพระโพธิสัตว์นี่บวชถึงแม่บวชก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลมันคาความปรารถนา <c oughs> แต่ท่านก็ช่วยเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้า <c oughs> เช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวกอื่นๆได้อย่างกว้างขวางเหมือนกันเพราะท่านมีความรู้ท่านมีบุญมาก อันนี้แหละเช่นอย่างอาศิตาภิกษุที่จะตัดสรู้เป็นภา ษ, ษีอริยเมตไตรในอนาคตเบื้องหน้านี่ก็ได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วเมื่อเจริญวายใหญ่โตมาก็เลยมีศรัทธาล่ำลามานดาวิดาวไปบวช เมื่อไปบวชแล้วไม่ก็ไม่มีใครหรอกจิรู้ว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตาในะพอดีในขณะนั้นพระนางมหาประชาบรีโภธมีได้ทำผ้าไหมคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาไปถวายพระศาสดาโดยตรงเลยเมื่อน้อมเข้าไปถวายพระองค์พระองค์มนแนะน้ำให้ถวายแก่สง นางอ้อนรอนยังไงพระ อ, องค์ก็ไม่ทรงรับทรงแนะนําให้ถวายแก่สงอา้าก็อ น, น้อมเข้าไปถวายท่านภาษารีบุตรถ้าภาษารีบุตรก็ไม่รับไปถวายแก่พระมหาโมคคัลานะท่านก็ไม่รับพระสงฆ์ตั้งสองหมื่นข้างนั้นอยู่ในกรุงกามิลพัฒน์น้อมเข้าไปถวายองค์ไหนองค์ไห น, นก็ไม่รับ ไปถึงองค์สุดท้ายได้แก่อาชิตตาภิกษุภิกษุหนุ่มกวาเพื่อนทั้งหมด <c oughs> อันพระอาชิตตาภิกษุก็รับมาหนี้รับเอาผ้าคู่นั้นนะพะนางมหาปรชชาบุรีโคตมีเสียพระไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอันผ้าไหมอันนั้นตั้งใจลงมือปลูกฝ้าย ด้วยตนเองลถน้ําด้วยน้นํานมด้วยด้วยน้ํา ท, ทองน้ําทองคําอ่ะอย่างเนียดอกไฟนั้นจึงสีเหลืองเหมือนกับสีทองคํา <c oughs> แล้วก็เก็บดอกฝฟายด้วยตนเองแล้วก็เอามาปั่นเป็นเส้นได้ด้วยตนเองลงมือทอด้วยตนเอง จนเป็นผ้าเนื้อละเอียดมากทีเดียวเพื่อเจาะจงยปถวายประสาน ธ, ธดาพระองค์ไม่ทรงรับอันนี้เลยเมื่อเสียพระไทยอย่างนั้นพระองค์เจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์มาดิเอาบาตของพระองค์มาวางใส่ผ่าพระหัตถ์แล้วก็อธิฐานขอให้บาทใบนี้นะจง เลื่อนลอยไปสู่กีบเมฆนู่นแล้วอย่าให้พระสาวกองค์ใดหาเอาได้เลยนอกจากอธิตาภพิสูจน์องเดียวเท่านั้นพออธิษฐานอย่างนี้บาทก็เลื่อนลอยเข้าสู่กีบเมฆไปเลยพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายนั้นไปตามหาบาทพระองค์นี่พระสาวกองค์ไหนที่มีฤทธิ์มีเดช ท, ทั้งก็ ไปแล้วเหาะไปเออสแวงหาจนทั่วทุกทิศทั้งบนอากาศทั้งบนดินทั้งบนทั้งในน้ำก็ไม่พบเลย <c oughs> ไม่มีใครนำอาบาตมาถวายพระศาสดาได้เลยบันีพ้พระองค์ส่วนอธิตตาภฟิกษูท่านไม่มีฤทธิ์อะไรนี่ท่านเหาะ ก, ก็ไม่ได้ ก็องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งอ้าวอาชิตาภิกษุจงตามหาบาทเราจะถาคตสิท่านพระอาชิตาภิกษุลุกจากที่นั่งแล้วมากราบพระศาสดาสามครั้งแล้วก็ไปยืนอยู่ลานที่กว้างนั่นแล้วก็ยกมือขึ้นอธิฐาน ว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ได้บวชมาหวังเพื่อเสวงหาลาบยศสนเสริญใดๆเลยไม่ได้บวชมาเพื่อหวังจะได้ไปเกิดเป็นเท ว, เทวดาเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรร ด, ดิราชอะไรไม่เลยข้าพเจ้าบวชมาี้เพื่อมาสร้างโพธิสมภารบรมีให้แก่กล้าขอให้ได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้า อันนี้เป็นความสัตย์ความจริงของข้าพเจ้าด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้หากมีจริงแล้วก็ขอให้บาททรงขององค์พระบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเลื่อนลอยลงมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พอท่านอธิษฐานเสร็จท่านก็ยกแบมือไว้ อันใดนั่นบาทของพระศาสดาก็เลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของอธิตตภิกษุนั้นอธิตตภิกษุก็นำน้อมเข้าไปถวายพระศาสดาเมื่อพระนางมหาประชาบุรีโคตมีเห็นบุญญาณุภาพของอธิต่ภิกษุอย่างนั้นก็ดีอกดีใจจึงได้คลายความทุกข์ความโศกอนั้นลงนั่นแหละแล้วต่อจากนั้นพระศาสดา ก็จึงได้ทรงแสดงเรื่องทานมาหนี่ทานนั่นน่ะมันมีอยู่สองประเภทบุกลิกทานหนึ่งสังขทานหนึ่งอืทีนี้ทานสองประเภทนี่น่ะทรงตรัสว่าให้ทานแก่สงนั่นแหละได้อานิสงฆ์มากกว่าให้ทานแก่บุคคลเป็นอย่างนั้น พนางมหาประชาบดีโคตมีก็จึงได้เข้าใจในการให้ทานบัด น, นี้เพราะฉะนั้นคนบางพวกบางเราเมื่อให้ทานจึงมักจะถวายเป็นสังฆทานเลยถวายทายทานใดๆก็ดีถวายเป็นสังฆทานไปเลยแต่แล้วบันนี้การถวายสังฆทานน่ยมันมีระเบียบอยู่อันนี้นะนั่นแหละ การถวายสังฆทานนี่ของที่นำมานั่นกับจํานวนภิกษุนั่นแหละสมมติว่าของมนมีน้อยพระผู้ที่จะรับทานมมีมากอย่างนี้เจ้าภาพนั้นก็ประกาศถวายเป็นสงไปเลยแล้วแต่สง์จะแจกกันเพราะผู้เป็นเจ้าของทานไม่สามารถจะแจกให้ทั่วถึงได้แบบนี้พระองค์ก็ทรงวางระเบียบ ของการแจกของที่เขาถวายเป็นสงนะนะให้สมมติพิสูจองค์ใดองค์หนึ่งคึ้นเป็นพระสุดเทศเออคือว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจเต็มที่ในการแจกของนั้นใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยเมื่อสงไดส้สมมุติขึ้นแล้วอันนี้ท่านพนูดถึงก็สมมุติตัวเองเป็นผู้แจกของ และท่านก็ประกาศลงไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับสมมุติอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะทําการแจกส่วนที่แรกก็ได้แก่พระเถระส่วนที่เหลือก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็มีสามเณรก็มีคารือหัดก็มีฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดเห็นชอบดังที่ข้าพเจ้าประกาศไปนี้ก็ขอให้นิ่งอยู่ ถ้าท่านผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยก็ขอให้ชี้แจงในที่ประชุมสงนี้ท่านประกาศอย่างนี้ถึงสามครั้งก็สงท่านหลายก็นิ่งอยู่ไม่มีใครชี้แจงอะไรคัดค้านอะไรขึ้นมาเลยเช่นนี้แล้วก็ท่านก็มีสิทธิ์แบบนี้แจกของนั้นส่วนส่วนใดที่ถวายพระเทละนั่นก็เรียกว่าต้องมากกูเพื่อนอ ต้องจัดเป็นพิเศษอย่างนั้นแล้วนอกนั้นก็แจกให้เสมอเสมอกันไปอย่า่าของนี่สมควรจะแจกได้สิบรูปอย่างนี้ก็แบ่งเป็นสิบส่วนแล้วก็แจกไปแจกไปถึงองค์ที่สิบหมดแล้วก็แล้วไปอันนี้ทำเนียมแจกของสงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าว่ามีของสงเกิดขึ้นในคราวต่อไปวันนี้ก็ หากว่าของมีน้อยนั่นอีกก็กแจกต่อจากองค์ที่สิบนั้นไปเป็นองค์ที่สิบเอสิบสองไปเลยหมุนเวียนไปอย่างนั้นจนกลัวจะครบมดทุกองค์ถึงองค์สุดท้ายนั่นแหละก็วันนี้ถ้าว่ามีผู้สวยสังฆทานอีกก็ตั้งต้นถวายเตพ่พระสังฆเถระไปแล้วันนี้น ะ, ะเป็นอย่างนั้นนี่การถวาย เป็นสังฆท า, านในพุทธศาสนานะ <c oughs> แล้วทีนี่บุคคลิกท า, านได้แก่ให้ทานแก่บุคคลแบบนี้นะเช่นว่าของทายทานนั้นมันมีจํากัดสําหรับผู้เป็นเจ้าภาพทายทานนั่นนะเพราะว่ามีของเท่านั้นแล้วถวายได้เพียงองค์เดียวอย่านี้เจ้าภาพนั้นเลื่อมใสองค์ใด กนน้อมเข้าไปถวายองค์นั้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเนี่ยสำหรับพระสงฆ์แล้วท่านรู้กันท่านไม่อิจฉากันญาติโยมก็นับถือเคารพองค์ไหนก็ น, น้อมไปถวายองค์นั้นแล้วก็แล้วไปอันนี้เป็นปุกครลิกกระทานทานมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้พึงเข้าใจแต่ทรงแสดงอนิสงส์ว่า การให้แก่สงนั้นมีอะไรสงมากกว่าให้แก่บุคคลเพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนานี่จะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหมู่คณะสงฆ์หรือว่าอาศัยบริษัทสี่พร้อมกันรักษาพร้อมกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพุทธศาสนานก็จึงตั้งยั่งยืนสืบต่อกันไป แต่การให้ทานแก่บุคคลโดยเฉพาะนั่นนะสมมุติว่าถ้าว่าพระองค์นั้นน่ะหนีไปที่อื่นแล้วโยมผู้นั้นก็ไม่แล้วไม่เข้าวัดไม่ทําบุญอย่างนี้แหละจะทําให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าพระองค์นั้นท่านม ร, รณภาพไปแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าก็คงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่คงมีบางคนน่ะเนี่ยว่า เป็นศรัทธาจริตไม่ประกอบด้วยปัญญาได้เรื่อมใสได้นับถือองค์ใดแล้วก็นับถือแต่องค์นั้นนะองค์อื่นไม่แล้ว อ, อืพอท่านองค์นั้นไม่มีแล้วก็แล้วและไม่ไม่ทําบุญแล้วเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงตรัสว่าการให้ทานแก่หมู่สงนี่นะจึงมีอ น, นิสงฆ์มากเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปเพราะว่าพระสงฆ์นี้ย่อมมีความเป็นอยู่อาศัยชาวบ้านและผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสานานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญมากเหมือนกันหมดไม่ใช่พระสงฆ์บางองค์ก็บุญน้อยญาติโยมชาวบ้านก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเลื่อมใสก็มี ผู้เท่นนั้นก็ไม่ค่อยจะได้รับทยทานอดอดอยากๆยากต้องอาศัยเพื่อนกุงอาศัยอุปชาอาจารย์สงเคราะห์สงหาไปอย่างนี้แหละแต่บางองค์ก็มีบุญมากหน่อยมีญาติโยมชาวบ้านเลื่อมใสได้ถวายปัจจัยทั้งสีนั่นท่านก็เป็นอยู่ไปได้สะดวกอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นการที่ผู้มีศรัทธาให้ทานเป็นสังฆทานนี่นะท่านจึงว่ามีอานิสงส์มากนั่นแหละเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อกันไปนี่ให้เข้าใจเรื่องการให้ทานที่พระศาสดาทรงแสดงในสมาคมครั้งนั้นนะ่ะ โดยมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นประธานดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้เจริญสืบต่อกันมาจนถึงบัด น, นี้ไม่เสื่อมสูญไปจากโลกนี้แล้วก็จึงได้มีผู้สละบ้านเรือนออกบวชกะเพระวา ท, ทายกทายิกาไม่ลำเอียงแสดงความยินดีเลื่อมใสต่อพระสงฆ์สามเณรผู้ ก็พืศปฏิบัติดีตามธรรมวินัยเหมือนกันเสมอกันหมดแม้สมณี น, น้อยๆเมื่อหากว่าปฏิบัติดีสำมรวมศีลสำมรวมอินทรีย์ด้วยดีอย่างนี้ก็ทายกทายิกาก็เลื่อมใส ย, ยินดีถวายทานไม่อดไม่ยาก <c oughs> ในประเทศศีรังกานั่นท่านสแสดงไว้ในธรรมานะ นิพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าวัตคามินีอภัยอันนี้เลื่อมใสในพุทธศาสนามากวันนี้วันหนึ่งพระเจ้าวัตคามินีอภัยเนี่ยเห็นสมณเณรน้อยองค์หนึ่งแล้วก็น่ารักเอสสมณเณรน้อยองค์นี้นี่จะเป็นผู้มีคุณธรรมสมกับเป็นสมณะจริงหรือหนอเราจะทดลองดู มันนี้ก็ให้พ่อครัวอปิ้งนกกระทาตัวหนึ่งแล้วก็ น, น้อมเอาไปถวายแก่สมมเณรน้อยนั้นสมมเณรน้อยก็เลยแบ่งนกกระทานั้นออกเป็นครึ่งหนึ่งเอ่อเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจนก็ฉันส่วนหนึ่งก็ให้คนเอาไปมอบให้พระราชาสเสวยอ่า พระราชาได้เห็น <c oughs> ความมาั่น้อยสันโดษของสมมเณีอย่างนั้นเลื่อมใสยอย่างใหญ่โตได้ถวายสําหรับแก่สัมมเณีน้อยวันละแปดสหรับ <c oughs> สมมเณีได้รับอาหารวันละแปดสหรับอย่างนั้นท่านก็เอาไปถวายพระถวายเนนถวายพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ที่ขาดแคลนอาหารไปเลยตนเองก็เอาแต่พอฉัน เท่านั้นเลยอ่นี่แหละความเป็นผู้มักน้อยสันโดษของสมณะนี่นะจึงชื่อว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อพระศาสนามากมายไม่ใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์แก่ตัวเองยังนําความเลื่อมใสมาให้แก่ประชาชนแม่เจ้าบ้านผ่านเมืองเพื่อนโคนนับถือเลื่อมใสอ่าพระภิกษุสามนเณรผู้มักน้อยสันโดษสํารวมตนด้วยดี อย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งทายกทายิกาทั้งผู้ครองเลือนทั้งหลายก็ให้ตั้งใจทนุบำลุงพระพุทธศาสนานีด้วยการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ ตนได้อยู่ในฐานะที่ตนจะพึ่งปฏิบัติใจเช่นผู้เป็นทายกทายิกาก็ตั้งอยู่ในฐานวัดขวัขวยในทานเสมอไปตั้งอยู่ในศีลวัดพยายามรักษาสินหาสินโอโศดไห่บริสุทธิ์พุทธพ้องให้ได้ ตั้งอยู่ในธรรมสาวนามายม่สนใจในการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจในการไหวพระการภาวนาฝึก้นจิตใจของตนให้ให้มันมั่นคงให้มันเรื่มใสนับยิ่งในคุณพรัตนาไกยและเชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทำว่าจาักนำตนในพ้นทุกข์ได้จริงๆ ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำตนให้พ้นทุก์ได้นอกจาก บ, บุญจากคุณนี่แล้วไม่มีเนี่ยฝึกกิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ให้ได้อย่างนี้เมื่อสะสมบุญคุณนี่ให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วกิเลสอันมีอยู่ในใจมันก็ค่อยน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆแม้ภิกษุสามเณรก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศินสมาธิปัญญานี่ ให้เต็มความสามารถของตนของตนน่แล้วอย่างนี้นะกิเลสตัณหาอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานมนา น, นั้นมันก็จะค่อยเบาบางไปทีละน้อยละน้อยไปเ <c oughs> พระาะว่าศีลสมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมที่กำจัดความโลภความกโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอันเป็นฝ่ายอากุศล น, นี่นะ ออกจา ก, กจิตใจนี้ได้จริงๆเลยเช่นยกตัวอย่างว่าผู้เคารพในศีลจริงๆอย่างเนี้ยอา้าวถ้าใครมาชวนทะเลาะวิวาทอย่เนี้ยนึกได้เลยว่าถ้าขืนตอบโต้ไปนี่มันก็จะต่อยจตีกันจะฆ่ากันศีลก็ขาดไม่เอาแล้วงดเว้นเลยอดทนหลีกหนีไม่ทะเลาะวิวาสกับใครเลยศีลจะขาดนี่ เช่นนี้ความโกรธมันก็เบาลงไปเลยเราผู้นั้นยึดเอาศีลเป็นอารมณ์นะเนี่แล้วพร้อมกันนั้นสมาธิก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไปเพราะตนตนเคยทำสมาธิอย่างไรมาเคยควบคุมจิตอย่างไรถึงเวลามีเหตุอย่างนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้ไม่ให้หวันไว้ไปตามความ อารมณ์เรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นน ะ, ะนี่แหละสมาธิเนี่ยมันก็จงังหวะมันเป็นเครื่องระงับความโลภความโกรธลงได้แถมปัญญาอีกบานี้เมื่ออดกั้นทนทานต่อความโกรธนั้นได้แล้วภายหลังก็มาใช้ปัญญาพิ จ, จารณาเห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นจริงๆเลยความโกรธนี่นะที่มันโกรธ ผู้อื่นมันทะเลาะวิวาทบาดหมางผู้อื่นนะเพราะอะไรเพราะมันยึดถือขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดมานะแข็งกระด้างขึ้นไม่ยอมสละไม่ยอมยกโทษหรือว่าอภัยแก่ใครเลยนี่แหละโทษของมันนะเมื่อพัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นโทษแห่งความยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ถือ ขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเลยนี่มันก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางออกไปเลยความโกรธก็ยิ่งเบาไปหลายเพราะปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตจิตไม่ยึดมั่นในความโกรธความโกรธมันก็ระ ง, งับไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อความโกรธมันระ ง, งับไปได้ความหลงมันก็ระ ง, งับไปตามกัน ความหลงมันเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่นะความเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ระ ง, งับไปความเห็นแจ้งมันก็เกิดขึ้นมาแทนเห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงมันก็ต้องยั่งยืนมันต้องบังคับได้มันจะไม่ต้องแปรพนแตกดับใครจะไปอยากให้ขันห้านี่แตกดับแล้วเกิดมาแล้วยังมีอายุยืนอยู่ตั้งตลอดกาลนานทีเดียว แต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้เป็นทา ย, ยกทายกาคกดีเป็นภิกษุสามเณรคดีให้เพิ่งตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี่ให้มั่นคงในจิตใจแล้วก็สามารถที่จะทำลายกิเลสบาปธระมอันที่ตนได้สะสมมาะสะสมมันมานมนานหลายชาติหลยายพ่อมาแล้วนี่นะ ให้มันน้อยเบาวบางออกไปจากกิจใจโดยลำดับลำดับไปจนขัวมันจะหมดสิ้นลงดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้